ก็ามวันก่อนก็มีข่าวออกมาคือแม่ชีเขาเอารูปอรมามาให้ดูว่าถูกคนเนี่ยก๊อปปี้แล้วไปลงในเพจของเจ้าวาดทาตแมวแล้วก็ดูแล้วคขำๆไม่มีอะไรคือเขาเอารูปอรมาไปหลายรูปเหมือนกันนะแล้วไปไปผสมกับรูปของหลวงพี่คนหนึ่งที่อุ้มแมวแต่ป้ายเนี่ยคือปัญหาป้ายเนี่ยเกาเขียนไว้ว่าปวดทราบห้ามขโมยแมววัด ทีนี้คนดูภาพเนี่ยก็จะเชื่อมโยงเราไปกับหลวงพี่รูปนั้นถ้าหลวงพียุรูปนั้นเนี่ยรูปนิดเดียวายใหญ่แล้วรูปเนี่ยมันจะมีรูปปนมาปนอยู่อุ้มเจ้าเปาคนดูก็จะขำนะตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรโ อ, โอ้โหแต่ตอนหลังที่ไปถึงคณะออกโททัศทสกระจายไปที่อินส a g แกรมไปทั่วโลกโซเชียลหมดเลยอัดมาเลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจเใจคนรู้จักมากมายขนาดนั้นจนคนที่ นำภาพเราไปโพสต้องโทรมาโทรมาโทรมาเพื่อกลัวธรรมาแบบฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะเขาเขาจะไม่ได้ตั้งใจลงขมขำไงแต่ทีี้ไอ้ับฟารมขำของเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นกระจายไปวงกว้างมากกว่าที่คิดซึ่งอาธรรมมาเคยทํามาแล้วอาธรรมมาเข้าขำอยู่ไม่ไม่เล่าเรื่องไงเพราะแมวก็น่ารักเพราะว่านึกถึงเราก็ใช้กราฟใช้เวนที่เราเคยทํากับอาจารย์ไปสารไว้เมื่อก่อนอาธมาก็ชอบอุ้มแมวไปหาอาจารย์ถ่ายภาพไง เพื่อนโพสธรรมะคนรู้เข้าใจอาจารย์ผิดด้วยว่าอาจารย์เนี่ยเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่อาาัตมาเป็นคนอุ้มไปบางภาพอาจารย์เป็นคนรักแมวรักสัตว์ไงอาาัตมาก็เป็นคนรักแมวรักหมาว่างแล้วก็ไปเล่นกับเขาแต่เราไม่เคยเลี้ยงเลยไม่ได้ตัวเดียวกวเป็นภาระก่อนเคยมีแมวอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่สีทองมาขอให้ธรรมาเลี้ยงที่กุูเนี่ยเขาแสรูนะมานอนที่กูสามวัน ขันมก็ไมไ่เลี้ยงเขาใจแข็งเพราะว่าถ้าเลี้ยงเราเป็นภาระเราจะไปไหนไม่ได้เพราะแมวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการแค่อาหารเขาต้องการความรักด้วยต้องการเข้ามานอนในกุดแล้วกุดเราก็เละเทะมีทั้งสายเป็ น, เ ป, นเป็นที่ทำไอทของวัดเนี่ยมันก็มีทั้งสายระโยงระยายแฟดไดซ์เอ็กเซอร์ดอนถ่ายอนข้อมูลเนี่ยถ้าแมวเข้ามาทํานี่พังเลยแมนนยแวซนไงเราก็เลยไม่รับใจแข็งแต่เขสงสารเขานะสาวันก็ผ่านไปก็ตั้งใจะเลี้ยงเขาละ แล้วเขาก็หนีไปเขาก็ไปเตอว่เราไม่มีบุญสัมพันธ์เากันแต่เขาก็มาเล่นที่หอตายนะได้ถ่ายรูปอาจารย์หลายรูปอยู่เหมือนกันแมวตัวนั้นตัวใหญ่สีทองหน้าตาขึงขังเรามีบุญสัมพันธ์นแค่นั้นเมื่อวานศัที่แล้วก็มีแมวอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าโอเลี้ยงอันนี้หลูกพี่ตุ้มเขาเลี้ยงโอเลี้ยงเนี่ยก็จะวิ่งข้ามกุดไปข้ามขุดมาระหว่างกุดออมากับขุดทั้งตุม้มพราะเราอยู่ใกล้กันไงมาเล่นที่กุดออมาเลี้ยงกับตัว เ, เล็ก ท่ตุ้มมาเลี้ยงแมวด้วยความทุธถนอมเอาใจโอเลี้ยงมากเลยมัจะเป็นของเล่นที่อยู่ต่างๆเนี่ยแต่โอเลี้ยงอัตรามองว่าเป็นแมวที่ไม่มีสายชายยาแมวแต่รักษาชีวิตไม่รอดพราะเขาชอบไปมุดตามดงน่งตามดงเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของงูบางครั้งถ้าเจองูเหลือมเนี่ยก็สบายเลยไม่ต้องมาหาโอเลี้ยงโอเลี้ยงไปหาเขาถึงที่เลยแล้วก็มอกว่าถ้าไปอยู่ภูหลงไดไม่รอดแน่นอน แล้วก็จริงโอเลี้ยงก็ตอนเริ่มโตแล้วตัวเองก็เป็นแมวซ น, นก็ไปอยู่ผู้หลงแล้วก็โดยงูกินจนได้ตามที่ลอกคาดคิดไว้ท่านตุม้มเลี้ยงแมวว่าหลายตัวโดยงูกินหมดเลยแมวน่ารักเหลือเกนเลยอันนี้ก็เป็นการสอนธรรมะให้รู้ถึงความรักความพัดภาคความไม่เที่ยงความสูญเสียถ้านระบอกในแง่ดีแนละ้วแมว ไม่ใช่ว่าถึงเขาจะป้องกันตัวเป็นเขาจะไม่ตายอย่างแพนด้านเนี่ยเป็นแมวที่ฉลาดมีสายชิยานแมวล่าหนูเก่งและอยู่เป็นสุดท้ายเขาหนีไม่พ้นความแก่ก็โดนพวกหมาลุกกัดตายจนได้ทั้งที่แมวเนี่ยจะปีต้นไม้หนีหมาได้เก่งมากเลยตอนนี้ปีต้นไม้ไม่ไหวแล้วก็โดนกัดตายไปตามภาษาแมวแกให้นึกถึงเจ้าแหววแมวลงคัวอันมาเข้าไปเล่นเขาบ่อย ตอนนี้เขาก็แก่แล้วเขาก็โดดขึ้นโดดโลงปีนปีนทีุ่้งสูงไม่ไหวละคือธรรมาจะสนิจกระเจวแหววถ้าเราเข้าไปลงครัวเขาจะแมวแมวตลอดมองหน้าบางทีรักไว้ลูกหัวเขาเล่นเรียกเขายายบ้งอะไรว้างแมวนี่ก็เป็นสัตว์ที่รู้เรื่องแล้วก็ขี้อ้อนตัวธรรมาไม่เคยเลี้ยงแมวสักตัวงแมวจะตอนเป็นโยมหรือต่อเป็นพระคือไม่มไม่เป็นเจ้าของแต่รักแมวรักหมาให้อาหารเขาบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของทัานแมวก็สอนธรรมะเราได้ แมวนสอดม้าตรงที่ว่าแมวเนี่ยเป็นลักที่อยู่เขาจะไม่เคยติดเจ้าของหรอกบางทีเจ้าของย้ายบ้านไปแมวก็าจะอยู่ที่นั่นแหละแมวก็หาไหนใหม่ละอย่างแมวเดียวก็จะเห็นได้ชัก็คือเจ้าก๊กอฟเจ้าก๊อฟแมวแวส้มเมื่อก่อนก็อยู่กับหลุยสิงเราอยู่กับหลุยสิงแล้วก็พยายามจะอยู่กับตมาตอนนั้นถ้าตุ้มอยู่ไม่รับตะหลังตมาก็ไม่รับเขาเพราะว่าเขาก็มากก็แก๊กอยู่ที่กุดแล้วแหละกินม้างนอนมัางแต่เขาเรียกร้องอยากเข้าไปในกุดไงเข้าไปในกุดเขาก็ไปหามหาทุกแก่ อ, อยู่นั่นแหละแล้วก็สน แมวไม่ไ้ต้องการแคอาหารนอกจากความรักด้วยไงเราไม่รับเขาเขาก็ไปหาอยู่กับท่านตุ้มพออยู่ท่านตุ้มสักพักหนึ่ง พ, พอโอเลี้ยงย้ายไปเขาก็มาอยู่กับแม่ชีสีต่อเขาหาเจ้านายเก่งสัญชาตญาณแมวเนี่ยเขาจะไปรักเจ้าของจริงๆเวลาให้าอาหารเขาเขา ก, ก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นบุญคุณนะาการเลี้ยงแมวเป็าสอนธรรมะทําให้คนที่เลี้ยงต้องใจกว้างมีเมตตาช่วยคนก็ไม่หวังผลตอบแทน ถ้าพี่กระหมาหมาเนี่ยเราให้อาหารเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกสำนึกบุญคุณจะต่างกับแมวแมวนี่เหมือนกับเราเลี้ยงเขาแล้วต้องทำใจนะกินแล้วเข้าไปไม่สนใจหรอกบางทีหาหานายใหม่ด้วยถ้าเรารักให้ความรักเขาไม่พอนั้นคนเลี้ยงแบบจริงใจกว้างการที่โพสตเฟซบุ๊กเล่นๆเนี่ยตรวจมาเคยทำมาก่อนเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีไอเดีย นำภาพดาราจีนตอนหนุ่มกับตอนแกเอามาลงโดยใช้ o t o s h o p เนี่ยแบ่งครึ่งซีซ้ายอา้าตอนอยังหนุ่มสาวซีขวาตอนแก่แล้วให้คนเปรียบเทียบไงให้เห็นจะทําชีวิตว่าคนเราเนี่ยมีความแก่ไปธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นความแก่ไปได้ก็ลองทำดูนะทำเล่นเล่นไม่ได้หวังยอดไร้หรือคนมาชมอะไรเท่าไหร่หรอทสูตรสนุกไม่กี่ภาพก็หาพวก ดาลาดังพวกเดวิดจียงังที่หลงหวังอยู่เฉินหลงหรือจินเสียแล้วอีกอีกหลายคนเอามาลงไงตอนหนุ่มตอนแก่ไปบามาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเขาเห็นเข้าเขาก็แชร์ต่อไปแชร์ต่อไปพอแชร์ต่อไปปุ๊บก็ทําให้แบบยอดคนมากกดไลค์สูงมากอ้โหแบบจนพวกเราต ก, กใจแบบ ยอดที่มาถูกใจเฉพาะรูปรูปแต่รูปเนี่ยก็หลายหมืน่นแล้วแชร์ต่อไปบางเว็บเนี่ยยอดกดไลค์เป็นแสนหลายแสนเลยมันก็เป็นไม่ได้อย่างอย่างรูปปรตมาที่โดนคนก๊อปปี้ไปลงเพจเจ้าวาท่านแมวอะ่ะเขาเป็นแบบคล้ายๆกันเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เป็นไปแล้วคนเราไม่มีใครหนีความจริงของชีวิตพ้นเรื่องความแก่นะความแก่ความเจ็บความตายอย่างเมื่อก่อนเนี่ย ฟุตบอลบาร์ซิลเนี่ยถือว่าเก่งสุดในโลกก็ได้เพราะเขาเป็นแชมป์โลกห้าสมัยสมัยที่เ ป, เ, ปเรย อ, อยู่แล้วก็สามสมัยละสมัยนั้นไม่มีทีไหนสู้บาร์ซิลได้เลยเวลาบาร์ซิลเตะเนี่ยแฟนบอลของประเทศก็คาดหวังว่าบาร์ซิลต้องชนะยังมีอยู่ครั้งหนึงที่บาร์ซิลเป็นปเจ้าภาพจะพ า, าฟุตบอลโลกนะแต่เขาชิงด้วยชิงกับอุลุกวัยแต่ผลปรากฏว่าบาร์ซิลแพ้ ตอนนั้นโขนก็ฆาตดวลตายกันเยอะเลยแล้วมาตอนหลังถึงสมหวังเริ่มเป็นแชมป์โลกแล้วเป็นแชมป์โลกใหม่ไตรสมัยตอนที่มาเด็กๆอ่ะเด็ ก, ด ก, ดกวัยรุ่นบ้างตอนปี82 82ปา่าซีเนื้อก็เป็นตัวเกง่งก็ต้องเป็นแชมป์โลกแน่นอนเลยเพราะชนะแต่ละทีมก็ชนะหลายสูตด้วยนะชนะพวกอิตาเลียที่มีดีโก้มาโดน่าเนี่ยตอนนั้นกํกลากลังกําลังวัยรุ่นอยู่ยังยังอายุยังน้อยเป็น่สิบเก้าหรือยี่สิบเนี่ยแต่มาแพ้อิตาลี เจอรี่จอมโหดแพ้เจอรี่สามสองมัแล้วก็ทำให้บาซินเนี่ยต้องตกรอบก่อนที่จะถึงรอบโลเคเลิศตอนนี่แฟนบาซินก็ค่าตัวตายกันละนาวเลยเพราะว่าผิดหวังที่บอลตัวเองต้องมาแพ้อันนี้ก็เป็นเรื่องช็อกโลกนะเพราะตอนนั้นอิตาลีเนี่ยรอบแรกไม่ชนะใครเลยเสมอกอ็เสมอแล้วสามครั้งในเข้ารอบแบบแปลกๆแล้วก็มา ล้มออเจย์นามาล้มบาร์ซิลแล้วแถมรอบรองก็เก่งอีกมันล้มพวกโปแลนด์แล้วก็มาชนะเยอรมันได้แชมป์โลกปี82เนี่ยก็แบบเซอร์ไพรส์เพาไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วแต่พอหลังจากนั้นมาฟุตบอลยุโปรปฝีเท้าก็พัฒนาขึ้นตอนหลังไม่ไปรอบาร์ซิลลวช่วงหลังหลังเนี่ยบาร์ซิลเตกับพวกทีมยุโรปอะเม่จะเป็นสเปนฝรั่งเศสแพ้ก็ไปเรื่องธรรมดาแฟนบอลรับได้ขนาดเตะกับเยอรมัน ที่เนี่ยที่ประเทศบราซมีเจ้าภาพเองอะแพ้ต้องเจ็ดหนึ่ง 1. แพ้แบบไร้เท็เลยนะก็ไม่มีใครคาดตัวตายเพราะเขาเลิกคาดหวังแล้วเสียบคาดตัวแล้วว่าคาดหวังไงอย่างคนเราเนี่ยก็อยากจะสวยหรือหล่อแบบดาร า, านหนั ง, แ ล, งนาาแล้วก็มีชื่อเสียงเพราะถ้าเรามีมีหน้าตาดีแล้วมีชื่อเสียงเนี่ยทรัพย์ ส, สมบัติต่างๆก็จะตามมาแน่นอนเลยอย่างสมัยชาวบัตเดอร์ยุคแรกๆเนี่ย มันจะมีหนังอวตาหลายเรื่องอย่างเรื่องจอมใจจกักรพรรดิเนี่ยตินใต้เป็นนางเอกเป็นนางเอกดังมากเลยนางเอกดังระดับเอเชียหน้าตาคล้ายพิชาลาลิในใต้ได้เกิดปี1934นะแต่แล้วเธอก็เสียชีวิตในปี1964อายุก็ใก ล, ล้30ปีละ29กว่าเสียชีวิตเพราะผิดหวังในเรื่องความรักกินยาฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ จอมยาจักรพัฒน์ออกฉายนะก็หนึ่งหนึ่งเก้าห้าเก้าเรื่องที่ดังมากแล้วก็เป็นอมตะทุกวันนี้เป็นหนังเพลง่งเศร้าๆลินใต้ก็เป็นนางเอกดังเล่นหนังหลายเรื่องไม่จบหวังเจ้าจีนนางพยางูขาวก็ทําเงินเป็นนางเอกคี่สวยเต็มที่ความสามารถแต่เธอมีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีนะแต่เธอก็ฆ่าตัวตายแล้วมาอีกคนนึงเลรตี้เลตี้ก็เป็นนางเอกดังเป็นนางเอกเรื่องมารดาเพนี แล้วก็ความฝัน้วยหอแดงแล้วก็อีกหลายเรื่องพวกโยอาจจะไม่รู้จักหรอกเพราะว่ามันเก่าตั้งแต่พวกโยมยังไม่เกิดกันนะอารามาเป็นคนชอบดูหนังไนงะก็เลยมีข้อมูลเหล่านี้เลอร์อตี้เนี่ยเป็นนางเอกที่รูปร่างสวยมากสูงโปง่งสูงโปง่ ง, ปงแล้วก็แต่งแต่งเป็นสาวจีนโบราณเนี่ยเหมือนมากงามเหมือนนางฟ้าเลยแต่แล้วเธอก็คาตัวตายเหมือนกันเพราะว่าผิดหวังในความรัก เพราะว่าได้สามีเย้าชูเลอตี้ก็เกิดเกิดปี1937เสียชีวิตในปี1968ก็อายุ31ปีก็ถือเป็นดาราดังแล้วก็สวยคือทำให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทุกคนพอมีแล้วจะสมหวังเพราะคนเรามีความคาดหวังไงคนสวยไม่น่าตายเพราความรักหรอกมองตามหลังก็มีคนชอบเยอะแต่เขาก็ตายเพราความรักแล้วก็มาดาราดังอีกคนหนึ่ง องเมลิงอันนี้ผู้ชมไม่รู้รู้จักปะออเมลิงที่ก็ดังมากมังกรยกซีรีส์ชุดปีหนึ่สที่เล่นเป็นอึ้งยงคู่กับหัวเยือหัวชุดเนี้ถือเป็นมังกร ย, ยนยกชุดที่ดังที่สุดคนดูทั่วโลกเป็นซีรีส์ที่คนติดตามกันเยอะแล้วทำให้หนางเอกแต่บทอึ้งยงนี่ดังไปไหนก็เรียกอึงอ้งยงอึ้งยงองเมลิงเนี่ยเกิดปี19ึ่ห้าเเป็นนางงามด้วยแล้วก็ เป็นนา ง, งาพี่สวยแต่แล้วเธอก็ต้องมาเสียชีวิตในปี1985โดยลมฟันคาตัวตายก็ผิดหวังเนื่อความรักอีกเหมือนกันข่ายงานศพของเธอเลยมีคนมาร่วมเป็นแสนนะคือประสบความสาเร็จแล้วมันก็จะมีความทุกข์แล้วมาดาราชายบ้างดาราชายก็เลดี้ จ, จางเลดี้ จ, จางนี่ตัวที่หนึ่งเมษายน2546เนี่ยเป็นวันโกโหก ข, ของโลกคนก็ ชอกกับข่าวเลยว่ามีชายคนหนึ่งโดดคอนโดลงมาชั้นที่ยี่สี่ถ้าชายคนนี้ไม่ใช่เลนดี้จางก็จะเป็นข่าวธรรมดาไปแต่พอพอรู้เป็นเลนดี้จางเนี่ยก็กลายเป็นข่าวคนก็ไม่ค่อยเชื่อเอ๊ดดาราดังเป็นนักร้องผรสบควาเร็จเลนดี้จางในเล่นหนังก็พวกเาอาจจะรู้จักเคยคู่กับหวังจูเซียนในเรื่องโปเยโโรเยอ่ะซึ่งถือว่ปหนังคลาสสิกเรื่องหนึ่ง ก็ผิดหวังในเรื่องความรักเหมือนกันเพราะว่าเลนดี้จางเนี่ยเป็นเกย์ผิดหวังในความรักผู้ชายแต่ผู้ชายนะก็แพ้ชีวิตค่าตัวตายไปปัญหาชีวิตที่จีนมีทางออกที่ค่าตัวตายเพราะผิดหวังเกินคือเราคาดหวังก็คาดหวังเกินไปแต่ถ้าเรารู้ความจริงชีวิตเนี่ยว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงมีความแก่ความเจ็บป่วยความตายความพัดผ้าสูญเสียมีกรรมมีของตนทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ย เราก็จะยอมรับคับจริงชีวิตได้ทุกปัญหาขอชีวิตมีทางออกถ้าเราตั้งสตดิดีนะมีทางออกทุกเรื่องเลยไม่มีเรื่องไหนที่ไม่มีทางออกแต่บางคนคิดสั้นหรือเผลอสติไปก็ทำเป็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ใหญ่ยิ่งขึ้นปัญหาก็เลยออกไม่ได้ก็มีช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่คนท้อแท้หมดกําลังใจแต่หลายคนเป็นโควิดก็รักษาหายนะ เพราะว่าเขาไปทอเขาสู้ต่อไปแต่บางคนก็พอเป็นโควิดด้วยหมดกําลังใจด้วยก็เลยทําให้ตายเร็วกว่าเดิมก็มีบางทีทอแล้วเศรษฐกิจ ก, ษษการทําหากินก็ลําบากฝืดเครืองไปไหนก็ไปได้ไปไหนก็ลําบากไม่สละเหมือนเมื่อก่อนอย่างมานี่ก็อยู่วัดมาเป็นปีปีนี้ไม่เลยไปไหนเลยนอนวัดเต็มร้อยเปอร์เ็นต์เลยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางทีแต่ละปีเนี่ยเราก็จะไปข้างนอกบ้างไปวัดนู่นวันนี้เปลี่ยนอารมณ์บ้าง แต่ปีนี้ไม่สามารถทำงั้นได้เราต้องอยู่กับอารมณ์เดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแต่เราก็สามารถทำสิ่งใหม่ได้อันมาก็มาดูแลต้นไม้ต้นไม้บางต้นที่เราทุดโซมเนี่ยเราก็ทำให้ดีขึ้นหรือทำอะไรหลายอย่างพัฒนางานด้านคอมบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็มีประโยชน์เพราะถ้าเกิดไม่อีโคบิดเราก็ไปนู่นไปนี่เราก็ไม่ได้ทำหลายเรื่องเลยที่เราได้ทา แล้วบังแล้วก็ทําให้อาจารย์ภัศาสได้อยู่วัดเผื่อไว้ธรรมะปกติอาจารย์ก็ไมอยู่วัดหรอกรํางานทั้งปีครับแบบติดต่อกันโอกาสจะพูดธรรมะให้เราฟังก็ยากปีนี้อาจารย์ก็อยู่เราก็ได้ฟังธรรมะกัะอยู่ใจทั้งปีเลยก็ได้เพราะโควิดไม่หาย ง, ง่ายอันนี้ข้อดีโควิดหลายคนในในนี้ก็ต้องอยู่วัดไปไหนไม่ได้เหมือนกันปกติแล้วไม่ค่อยอยู่หรอกคนข้างนอกก็จะมาคนข้างในก็จะออกไปอยู่เงี้ยทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้น เราทนอารมณ์ที่เราไม่เคยเจออะแต่เราก็ทนได้แล้วก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็ผ่านไปเพราะมันไม่เที่ยงเมื่อจะเป็นความสุขความทุกข์ความสุขมีแล้วมันก็ผ่านไปความทุกข์มีแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปเหมือนกันการเวลาเนี่ยเยียวยาหักใจหาใจให้กลับมาปกติแต่ถ้าคนนอนไม่หลับคนเครียดเนี่ย มันระบบสมองมันก็ไม่ได้รับการพักการเรียนระบบใหม่อาจจะมีผลกับเรื่องจิตใจได้คนคาดตัวตายส่วนมากจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่กับโรคความคิดปรุงแต่งหรือมองโลกในทางลบย้ำคิด ย, ย้ำทำอันนี้เป็นเหตุให้คาดตัวตายต่างกับคนที่มีกำลังใจแล้วก็มุสัมพันธ์ดีเต็ไมไปด้วยคนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยพวกนี้จะมีความสุขไม่ค่อยคิดสั้น นั้นต่างกันมากเลยช่วงนี้ถ้าใครสังเกต น, นะวัดเรานะถนนล้นทางเนี่ยขาวสะอาดเลยเพราะพวกหลวงพี่หลายท่านเนี่ยก็น้ำมาฉีดทำความสะอาดมาขัดกันถนนของป่าสโตโตเนี่ยเวลาฝนตก น, น, นานๆเนี่ยพวกตะไคร่เกี่ยวมันก็มาคุมซึ่งเป็นอันตรา ย, นยคนที่เดินผ่านเนี่ยสามารถลื่นล้มได้เลยขณะฝนตกเนี่ยถ้าคนล้มขึ้นมาถาล่มหนักๆอาจถึงพิกงพิการ หรือตายได้เลยนะถ้าคนแก่แค้งขาหักได้อย่างตัวอาบาเคยล้มหลายครั้งแล้วล้มแบบฟาดจนแขนเนี่ยทุกวันนี้ไม่ปกติเพราะพราอลื่นล้มแต่หลังจากนั้นมาเราก็ระวังนะเดินเดินเราก็ล้มยากแล้วเพราะเราระวังเมื่อก่อนเราเดินพูดพาดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสอนใจเราอะสอนให้จิตต้องระวังทั้งการที่พาะช่วยกระทําฟาร์มสะอาดหรือช่วยการทํางานเนี่ยอู๋ถวังใจเป็น ได้ที่สงอย่างเลยเพราะว่าถือว่าช่วยเหลือส่วนรวมแต่ถ้าทํางานไม่เป็นอันที่สงก็น้อยอย่างฝาดวบไม้เนี่ยฝาดใบไม้ช่วงหน้านีา้อาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าไปฝาช่วงหน้าหนาวใบไม้เดี๋ยวก็ร่วงมาพอฝาดไปเดี๋ยวก็ร่วงมาอีกแล้วถ้าบางคนหวังใจให้เป็นก็ฝาดไปด่าไปอ่ะด่าใบไม้ด่าต้นไม้มันทิ้งใบอีกแล้วหรือไม่ก็ด่าคนที่เอาอยาไปทิ้งที่วัดพราะบาทีจะมีเด็ก ข้างนอกมาไงเอาเอากล่องนมทิ้งบ้างเอาอะไรแต่ถ้าเราทํางานแบบมีความสุขเราก็เก็บแล้วเราก็ไมปโทษคนที่ทําสกรปรกแล้วก็ไม่โทษคนที่ไม่ทําอันนี้เราก็ได้กุศลแล้วเป็นการเป็นการฝึกใจเราด้วยฝึกใจไม่ให้เราเพยงโทษคนอื่นอย่างกุฎามาเนี่ยที่ทุกวันนี้ดีได้ก็เพราะไก่เป็นเหตุเมื่อก่อนช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งไก่มันคุยขยะเนี่ยคุยใบไม้ เราก็ฟาดไปเราก็ไม่ไม่ด่าไก่นะไก่มันก็คุยเราก็ฟาดฟาดฟาดฟาดจนแบบบางจุดก็เริ่มเตียนต้นไม้ล้มแล้วก็ออกจนตัวหลังก็น่าอยู่สมัยที่หม้ใหม่กุหลังนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่นะปีสี่เก้าเราไม่ได้จำภาษาเนี่ยจะมีตุ๊กแกบะยึดเลยตุ๊กแกขี้เหม็นแล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่ก็เลยกุฎกุเที่เราอยู่กุฎล้างเไยกุฎตีก็พังตุ๊กแกก็เยอะ พระที่มาอยู่ก็หนีไปหมดไม่กล้าไม่กล้าอยู่กายมิกุตล้างของวัดไปพอเรามาอยู่เราก็่อยปรับปรุงค่อยทำไปเมื่อกลายเป็นดีได้เด็กฝาดใ ไ, ไม้หรือทำงานทุกชีนิดเลยถ้าเกิดเอาทำงานเป็นเราก็มีความสุขสามารถสร้างความรู้สึกตัวได้อาจจะเป็นการล้างจานถูพื้นกินอาหารหั่นผักหรือทางานต่างๆเราสามารถสามารถสร้างความรู้สึกตัวได้ แต่ทําทไม่เป็นก็ออกอะรกายธรรมดาเรียารู้กับตัวตอย่างแตงใดเราต้องคอยดูแลจิตของเราเนี่ยให้เป็นกุศลเพราะโดยธรรมชาติของผุ้ดูชนเนี่ยจิตมันจะไหลลงต่ําจะถูกจิตอกุศลครอบงําสามารถคิดแต่เรื่องไม่ดีได้ถ้าเรารู้สึกตัวอารมณ์กุศลแลเข้ามาอามกุศลก็จากไปถ้าเราคิดถึงเรื่องไม่ดีคนอื่นทางลบทางร้ายเนี่ย หรือโกรธเกลียดใครหรือไม่พอใจสิ่งต่างๆถ้าเรารู้สึกตัวตีมันมานะมันก็ไม่ไม่ไม่ปรุงแต่งต่อจนยาวเหยียดไม่สร้างปัญหาถ้าคนที่มีธรรมะกับคนที่จำธรรมะที่ต่างอ่นนะคนที่มีธรรมะเนี่ยเขาจะสามารถออกจากทุกข์ได้ออกจากปัญหาได้แต่คนนี้ไม่มีธรรมะเนี่ยจำจากหนังสือมาเนี่ยจะมีปัญหาแนละ้วบางทีเพ่งโทษกันฉันเก่งกว่านะฉันรู้มากกว่านะยังไม่ใช่ฉันมีธรรมะสูงกว่านะ ถ้าคนมีธรรมะเขาจะไม่ขัดแย้งกับใครถ้าอยู่เขามีปัญหาก็หาทางแก้ไขหาทางออกทุกปัญหาไปทางออกเสมอไม่จะเป็นเรื่องแล้วก็แล้วแต่ออกแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำําให้ขุ่นผ่านการเวลาผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างถ้าเราเรียนเรียนอย่งเร็วอะ่ะคืออ่านหนังสือบางทีไม่รู้นะเพราะว่าอานหนังสือไปฟังรู้คนอื่นจํามาเนี่ยแต่ถ้าเราก็ค่อยเรียนจากประสบการณ์เราเองสิ่งที่ทำแล้วเกิดทุกเกิดโทษเนี่ย เค่อยนั่นไปอ่ะมันก็ต้องอาศัยการเวลาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองไปธรรมะเป็อาจารย์เราสอนธรรมะเราก็มีประโยชน์แต่ถ้าเรามองไม่เป็นก็มีแต่เรื่องที่ทําให้ทุกข์ทำให้เครียดทําให้ผดหวังเพราะปกติตอนทำประชาติแล้วเรื่องผิดหวังมีมากกว่าเรื่องสมหวังลัทธิธรามแปดน่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสั่เสิมีนิทามันจะมีมากกว่าเรื่องที่สมหวังเรื่องสมหวังมีไม่เยอะหรอกเรื่อจะเป็นเรื่องแมวหมา คนสิ่งแวดล้อมไม่ไดังใจเราหรอกแต่เราสามารถปรับตัวได้แล้วก็อยู่แบบมีความสุขได้หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยได้อันาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอจบลงแค่นี้